แปลกหน้ากำลังฆ่ากันตายมากขึ้นเรื่อยๆในนามของคนรักที่บังอาจนอกใจกันถ้าคุณลองเซิร์ช Google ทุกปีด้วยคีย์เวิร์ดประมาณหัวเมียฆ่ากันตายจะพบผลลัพธ์มากขึ้นเรื่อยๆปีต่อปีแต่นั่นยังไม่น่าตกใจเท่ากับที่คนส่วนใหญ่ ได้ยินข่าวพันนี้แล้วรู้สึกชินชาเห็นเป็นเรื่องธรรมดาของคนอื่นและไม่มีวันเกิดขึ้นกับตัวเองได้ลองถามคนรู้จักอาจหนึ่งในสองหรือหนึ่งในสามจะบอกคุณว่ารู้จักใกล้ชิดหรือรู้จักห่างๆกับคู่กรณีที่ฆ่ากันตายหรือมีแนวโน้มจะฆ่ากันตายเพราะเรื่องชู้สาว จึงนับว่าเราอยู่ในยุคของความเสี่ยงเป็นเสียงตายกับเรื่องผันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นรอดเจ็บจริงตายจริงไปเกิดใหม่ในที่ไม่ดีกันจริงๆแต่แม้หลักฐานมีอยู่มากมายว่าไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นก็กลับมีคนจํานวนมากเห็นเป็นเรื่องเล่นเล่นนึกว่าการมีกิก๊กการนอกใจกัน เป็นเรื่องธรรมดาไม่มีไม่ได้แล้วยุคทองแห่งการลองของใหม่รสชาติใหม่ๆมาถึงแล้วข้อเท็จจริงคือไม่ว่ายุคสมัยเปลี่ยนไทยวัฒนธรรมอย่างไรรูปยวน้ำลายเกลื่อนกลาทุกป้ายรถเมย์ขนาดไหนใจคนก็ผูกยึดแน่นกันได้ฝังติดคิดแค้นกันได้กับสัญญาไม่เป็นสัญญา ผูกมัดไม่เป็นผูกมัดซึ่งเมื่อแขนเข้มข้นถึงขีดสุดเมื่อไหร่อะไรๆก็เกิดขึ้นได้ด้วยอารมณ์ชั่ววูบทั้งนั้นหากคุยรายละเอียดข่าวคุณจะพบว่าคนลงมือจำนวนมากมีประวัติเป็นคนดีเป็นที่รักของคนรอบข้างดังนั้นคุณจึงไม่อาจพยากรณ์ได้ว่า คนดีตรงหน้าคงไม่ทำอะไรรุนแรงหรอกคุณคิดเล่นๆตอนจะเลือกทางผ่านหรือของเล่นไม่ได้ว่าคนนี้หน้าอ่อนๆใจอ่อนๆคงไม่มีพิษไม่มีภัยคงไม่เอาปืนมายิงตอนคุณจะชิงแน่ๆเพราะเมื่อไรใจเขาหรือเธอผูกติดหลงยึดมั่นตอนอาฆาตแค้นก็คิดร้าย ตัดสินใจลงมือได้ไม่ต่างจากคนใจเยี่ยมนั่นเองสีนข้อสามจึงไม่ใช่เรื่องล้าสมัยตรงข้ามกลับจะเป็นของทันสมัยและล้ำสมัยต้องนำมาเตือนสติกันมากขึ้นทั้งยุคนี้และยุคหน้านอกจากสีนข้อสามไม่ล้าสมัยคำว่าอภัย ก็ไม่ได้กลายเป็นคำตลกตกยุคเช่นกันเดี๋ยวนี้พูดเรื่องความรักหวานๆชักไม่มีใครฟังมีแต่คนอยากจับกลุ่มปรึกษากันว่าจะเอาคืนอย่างไรให้สาสมก่อนลงมือทำอะไรลองนึกถึงวันที่คนแปลกหน้าเป็นคนที่เคยต้องเกรงใจกันเป็นคนอื่นคนไกลที่ไม่รักไม่แค้น ไม่เป็นที่ตั้งของใจที่คิดเป็นบุญเป็นบาปแต่พอวันคืนผ่านไปผูกสนิทชิดเชื้อเราถือวิสาสะกันอย่างไรเหตุใดจึงเผยยึดเขาหรือเธอเป็นที่ตั้งของมหาอากุศลจิตมีสิทธิคิดทมปานาติบาตผูกภัยผูกเวรข้ามชาติกันไปได้ คำว่าอาภัยไม่ได้นั้นไม่มีมีแต่คิดกันไปเองยึดมั่นกันไปเองเรื่องทุกเรื่องในโลกอภัยกันได้ถ้ามีหลงมกมุ่นเดินผิดทาง ต, ตามกันสังเกตง่ายๆถ้าหยุดคุยกับพวกเชียร์ให้เจ้าคิดเจ้าแค้นถ้าหยุดดูละครตบตีจิงผัวจิงเมียถ้าหยุดคิดถึงคำว่า ปล่อยไว้ไม่ได้หลายๆวันหรือหลายๆอาทิตย์เข้าจิตใจก็จะค่อยๆกลับคืนสู่ความเป็นธรรมชาติเดิมคืออยากเป็นปกติสุขอยากมีความเจริญอยากไปให้ถึงความสว่างสูงสุดในชีวิตเหมือนเช่นที่หลวงปู่ขาวพลิกเปลี่ยนจากการเกือบเป็นฆาตกรฆ่าชู้กลายเป็นพระผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบาน ก็นับเริ่มจากนาทีที่คิดวางมีดวางดาบเสียได้ซึ่งถ้าไม่ใช่นาทีแห่งมหาอภัยทานนั้นท่านก็คงเสียโอกาสพ้นทุกพ้นภัยสละสิทธิ์ในการเป็นพระอาหารหันต์ไปเป็นคนคุกเป็นคนทุกข์ร้อนในความมืดมนคับแคบเสียแทน แล้วรู้สึกถึงความสดชื่นได้บ่อยๆก็มีสิทธิ์ได้คำตอบดีๆหรือมีคำถามที่ทรงพลังความคิดที่ซ้ำไปซ้ำมาอยู่ในหัวมีสองแบบแบบแรกคือทำให้ฟุ้งซ่านปั่นป่วนคิดวกวนเป็นวงกลม เช่นทำไมทิ้งกันได้ลงคอฉันไม่ดียังไงทำไมไม่รักษาสัญญาที่ให้ไว้ตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วแบบที่สองคือทำให้สงบนิ่งเย็นคิดไปข้างหน้าเป็นเส้นตรงเช่นเรากำลังอยู่กับเป้าหมายหรือเปล่าเรากำลังสนใจสิ่งที่น่าสนใจจริงๆหรือเปล่าเรากำลังคิดแบบชุดให้ก้าวหน้า หรือรังให้ถอยหลังความคิดแบบแรกนั้นเกิดขึ้นได้ง่ายและดูดพลังเราหมดตัวได้อย่างรวดเร็วส่วนแบบที่สองนั้นเกิดขึ้นได้ยากแต่เพิ่มพลังให้เราได้ทีละนิดที่จะบันดาลให้เกิดความคิดแบบที่สองขึ้นในหัวได้ ต้องมีวิสัยทัศน์ทางจิตดีๆเห็นประโยชน์ดีๆขึ้นมาเสียก่อนโดยทำความเข้าใจว่าในแต่ละวันพลังชีวิตอาจได้มาง่ายที่สุดด้วยสองวิธีคือหนึ่งหายใจเป็นและสองตั้งคำถามที่ทรงพลังหายใจเป็นคือหายใจอย่างสดชื่น หายใจอย่างผ่อนคลายสบายตัวหายใจอย่างรู้ได้เรื่อยๆว่ากำลังหายใจกระทั่งหายใจอย่างที่จะก่อให้เกิดจินตภาพลมหายใจชัดเป็นสมาธิต่อเนื่องคำถามที่มีพลังคือคำถามที่ทำให้มองตรงหน้าไม่ใช่วอกแวกคำถามที่ชวนพินิจอดีตเป็นบันได ไม่ใช่โซ่ตรวนคำถามที่ส่องให้เห็นอนาคตเป็นเป้าหมายไม่ใช่วิมาณในอากาศคนที่หายใจเป็นมักตั้งคำถามอย่างมีพลังได้เช่นเมื่อหายใจอย่างสดชื่นแล้วถามตัวเองถูกว่าทำตอนนี้ได้ไหมแค่คำถามนี้ ก็อาจก่อให้เกิดแรงเร่งถีบตัวหนีจากหลุมดำแห่งความเฉื่อยชาได้ไม่ว่าสิ่งที่ต้องทำตอนนี้จะเป็นภารกิจชนิดไหนเมื่อหายใจอย่างผ่อนคลายสบายตัวแล้วถามตัวเองว่ากลับไปเปลี่ยนเมื่อวานได้ไหมแค่คำถามนี้ก็อาจสลัดคุณหลุดจากความเสียดาย อันเป็นปันธนาการน่าอึดอัดที่เคยเฝ้าบีบให้หายใจไม่ออกเมื่อหายใจอย่างรู้ได้เรื่อยๆว่ากำลังหายใจแล้วถามตัวเองถูกว่าลมหายใจนี้สำหรับเมื่อวานนี้หรือพรุ่งนี้ดีแค่คำถามนี้ก็อาจปัดเป่าอาการฟุ้งซ่านตีตนไปก่อนไข้ เหลือแต่ความคิดมุ่งมั่นใช้เวลาที่ยังมีให้คุ้มค่าเมื่อเห็นลมหายใจอย่างต่อเนื่องจนเกิดจินตภาพตามธรรมชาติของจิตที่รู้สึกถึงสิ่งใดอย่างต่อเนื่องสิ่งนั้นย่อมกลายเป็นภาพอยู่ในใจแล้วปรับสภาพของใจให้นิ่งสบายพอใจกับความสงบราบอยู่ตรงนี้ ไม่ใช่ยอมปล่อยตัวเองให้ถูกรั้งไปข้างหลังไม่ใช่ถูกฉุดให้หวังลมลมแรงๆไปข้างหน้าสังเกตเถอะว่าคำถามดีๆที่มีพลังมักตามหลังลมหายใจดีๆที่มีคุณภาพมาฉะนั้นฝึกหายใจให้เป็นจนเกิดความรู้เองว่า จะลงประตะ ก, กระตุ้นเตือนตัวเองด้วยคำถามแบบไหนให้ลุกขึ้นพ้นจากความเฉื่อยความจอมจอมอันสูญเปล่าตั้งความเชื่อไว้เลยว่าลมหายใจที่สดชื่นจะพาคำถามปลุกพลังมาเข้าหัวได้เอง เสียงอ่านหนังสือดูใจชั่วนิวรันจบบริบูรณ์งานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยชมรมผลดีเรื่องราวมากมายที่เพียงคนหาที่เห็นเป็นโชคชะตาไปคิดชีวิตผู้คน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 สิ่งที่เธอต้องทุกต้องทนดูไร้เหตุผลใครแต่โทษฟ้า กระทำของเธอแม่คิดในใจอาจคอยส่งผลร้ายอยาจลึกลับแต่มันคงกับการส่งผลเข้ากัมเคยทำอะไรทำดีหรือร้ายผลนันคือกัม ดาวจะไม่พรา้าแสนแม้วันนี้จะอ่อนแรงด้วยว่าทำดียังมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เจะมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่านไป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 มันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยกให้ลองดูเรื่องกรรมคือการกระทำของเธอแม้คิดในใจอาจคอยส่งผลร้ายราอยากลึกลับแต่มันคงกับการส่งผลเข้ากรัรม เคยทำอะไร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 I'm e good p e r t o n